เรื่องกะถินเป็นอันกรานสามร้อยกษิุทั้งหลายกะถินย่อมเป็นอันกรานอย่างไรกะถินย่อมเป็นอันกรานอย่างนี้คือ 1. กะถินเป็นอันกรานด้วยผ้าใหม่ 2. กะถินเป็นอันกรานด้วยผ้าเทียมใหม่ 3. กะถินเป็นอันกรานด้วยผ้าเก่า 4. กระถิ่นเป็นอันกรานด้วยผ้าบางสุกุลหกระถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ตกตามร้านหกกระถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้ทํานิมิตได้มาเจ็ดกระถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้พูดเรียบเคียงได้มาแกระถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้ยืมเขามา 9. า กระถินเป็นอันกราน iyim. ด้วยผ้าที่ไม่ได้เก็บไว้ค้างคืน 10. กระถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้เป็นนิสสคี 11. กระถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ทำพินทุ 12. กระถินเป็นอันกรานด้วยสังคาติ 13. กระถินเป็นอันกรานด้วยอุตราสง 14. กะถินเป็นอันกรานด้วยอันตรวาศกส5กะถินเป็นอันกรานด้วยจีวรมีขันห้าหรือเกินห้าที่ตัดดีแล้วทําให้มีมนทนเสร็จในวันนั้น 16. กะถินเป็นอันกรานเพราะมีบุคคลกาน 17. กะถินเป็นอันกรานโดยชอบถ้าภิกษุ ผู้อยู่ในสีมาอนุโมทนากระถิ่นนั้นภิกษุทั้งหลายกระถิ่นชื่อว่าเป็นอันกรานอย่างนี้แล